หรือว่ า, าการทำบุญทั่วๆไปในงานมงคลเนี่ยบทสวดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุภาพของพระธรัตสตรนย้นอมใจให้เราลึกถึงคุณพระพุทธพันธระรสงค์เพื่อจะได้เกิดความอบอุ่นใจรู้สึกมีที่พึ่ง แล้วก็มีความเชื่อในหมู่ชาวพูดว่าถ้าได้สารเสริญคุณพระรัตนไตร mm. ก็จะเกิดสลีมงคลอำนวยให้เกิดความสุขความเจริญบทสวดที่ใช้ในงานมงคลเนี่ย mm. ก็จะมีเนื้อหาทํานองนี้แหละ mm. ก็คือว่าถ้าเราระลึกถึงพระรัตนไตรทําคุณงามความดี mm. ก็จะทําให้เกิดความสุขความเจริญ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 ก็หมายความว่าในปรมาถ ธ, ธรรมหรือปรมาถสัจจเนี่มันไม่มีสิ่งที่โลบุคคลมันมีแต่ธาตุมีแต่ขันนะมีแต่อายต น, นะนะก็คือเป็นสภาวะล้นลวนบทสวนที่เราใช้สาธยายในงานมงคลเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดถึงสมมุติสัจจะความจริงที่อ่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 เป็นพื้นอยู่แล้วนะเมื่อเข้าใจว่ามันมีตัวตนมีคนมีเรามีเขามีในกอในขอก็ก็ให้มันทำความดีเอาไว้มันระลอกถึงพระรัตนตรัยเอาไว้ก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญ น, นะปลอดพ้นจากโรคาพยาธินะควาว่าสุขความวาจเจริญควาว่าอายุวันณสุขขาลาพราณ์เนี่ยนะเอ่ยมากเอ่ยถึงมากนะในบทสดมน งานมงคลแต่ว่าในงานพิธีรรมนี่ไม่มีเลยนะเพราะว่าสุขหรือทุกข์นี่มันก็เป็นเรื่องของสมมุติเหมือนกันมันจะมีการสมมุติวันอย่างนี้เรื่อสุขอย่างนี้เรื่อ ง, อ ง, องทุกข์นะตามภาษาชาวโลกพูดอย่างง่ายๆ่ยคือว่าในบทสวดเจริญพุทธมนต์เนี่ยมันเป็นการพูดตามภาษาชาวโลกคนก็อยากได้ฟังนะเรื่องความสุขความเจรเอินนะเรื่องสริเรื่องมงคล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 แต่มันไม่มีผู้ทุกนะมีแต่ความทุกแต่ไม่มีผู้ทุกนะมีความตายแต่ไม่มีผู้ตายนะก็เป็นเพียงแต่ว่าขันห้ามันแตกดับสลายไปหรือว่าท่าสี่มันคืนสู่ธรรมชาติไปนั้นถ้าเราเข้าใจความหมายของพระพิธรรมเนี่ยที่สวดเนี่ยแล้วเข้าใจน้อมใจไปเรื่อยๆก็จะพบ mm. ก็จะได้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 มันมีแต่ธาตุสี่นะดินน้ำไฟลมคืนสู่ธรรมชาติหรือว่าขันห้านะได้แตกสลายไปก็จะช่วยทำให้บรรเทาความเศร้าโศกได้อันนี้ก็เป็นข้าใจว่าเป็นจุดมุ่งหมายนะที่คนโบ ร, ราณเนี่ยจะนิยมให้สวดนะอภิธรรมในงานศพนะโดยอาศัยความจริงนั่นแหละนะ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 มีการพัดพลากจากกันนะก็เกิดเป็นความทุกข์พวกเราชาวพุทธเนี่ยนะการที่จะเข้าใจทำให้เข้าใจเรื่องปรมธทสัจจะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าความจริงนะในเรื่องปรมธทสัจจะเนี่ยจะทำให้ความทุกข์เนี่ยนะมันไม่มาเกอะกลุ่มจิตใจได้บทส่วนมนหลายบทเนี่ยนะจะพูดถึงป ร, ปรมาทสัจจะเนี่ย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 อันนี้พูดแบบวิทยาศาสตร์นะแต่ถ้าพูดแบบพุทธเนะี่ยคือมันประกอบไปด้วยธ า, าตุนะ mm hmm. ดินน้าไฟลมนะมันไม่มีตัวตนบุคคลเราเขานะ mm hmm. สิ่งที่เรานันนายกนางขอนี่ก็เป็นสมมุติแม้กระทั่งที่เรียกว่านี่มนุษย์นี่สัตว์นะนี่คนไทยนี่ฝรั่งนี่ก็สมมุตินะแม้แต่คนและสัต์นี่ก็แท้จริงแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันนะโดยความเป็นธาตุนะโดยความเป็นขันให้เข้าใจนะอะการมอง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 ด้วยความคิดนะแต่ว่าเห็นจริงๆเนี่ยให้ความยึดติดถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็จะคลายไปเพราะว่าไอ้ความยึดติดถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามองไม่เห็นความจริงขั้นปรมามักยังติดอยู่ความจริงขั้นสมมุติว่านี่นี่เรานี่เขานะแล้วมันก็มีสมมุติซ้อนกันมากมายเราเขาไม่พอนะก็ยังมีการสมมุติว่าอ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 นะกูชาราลองดูเถะนะให้ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันรุนแรง แ, แต่มีกูเป็นศูนย์กลางเท่านั้นแหละทําไมถึงเจ็บปวดเป็นทําไมถึงทุกข์ถึงโกรธเวลามีคนมาด่าก็เพราะมันมีความสําคัญมากว่ากูถูกด่านะกูเสียหน้านะนะทาไมถึงมีความเศร้าโศกเวลาเข้าของทรัพย์สมบัติสูญหายไปมีคนลักเข้าไป ก็ความมีความสำคัญมั่นหมายว่าของของกูถูกขมโมยไปให้ความทุกข์ใจทั้งหลายเนี่ยนะมันล้วนแล้วแต่มันมีมีศูนย์กลางอยู่ที่ความยึดมั่นความสำคัญมั่นหมายในตัวกูนะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าตัวกูมันไม่มีนะมันมีแต่กายกับใจมีแต่ขันห้ารูปเบทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณหรือพูดสั้ น, นๆยาวๆว่ากายกับใจเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับกายก็ไม่ทุกข์นะ ทุกกายเนี่ยมีอยู่แต่ว่าทุกใจเนี่ยมันไม่มีนะหรือมีน้อยมากมีคราวหนึ่งเนี่ยนะหลวงปู่บุตรดาท่านไปไปผ่าเอานิ้วออกนะหลวงปู่บุตรดาท่านมรณภาพไปเมื่อเมื่อสักงกือสิบกว่าปีมาแล้วตอนที่มรณภาพก็อายุร้อยพรรษาร้อยปีนะถ้ามีชีวิตปันนี้ก็ออกประมาณอายุร้อยยี่สิบสามปี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 อันนี้เพราะว่ามองไม่เห็นความจริงนะว่าจริงๆแล้วนี่มันไม่มีตัวเรามัน ม, มีตัวฉันมันมีแต่กายกับใจใการที่เห็นว่ามันไม่มีตัวเราเนี่ยเห็นแต่มีแต่กายกับใจก็เป็นก็เพราะเข้าถึงความจริงขั้นปรมัจิตนะเพราะง่ายปวดนะมันก็ปวดแต่กายนะใจไม่ได้ทุกข์ด้วยอีกครั้งถ้าไปรํานิมนต์ไปฉันบ้านโยมนะก็มีพระอไปฉันด้วยเป็นคณะบอกว่าอาหารเป็นพิษพระเอ ทั้งขนาดนี้ก็อาจเจียนก็เป็นแถวเลยแต่หลวงปู่เนี่ยนะท่านก็ยังสามารถจะนั่งสนทนากับญาติโยมได้ขณะที่พระรูปอื่นเนี่ยหนุ่มกว่ามีกำลังวังชาแข็งแรงกว่าอาจเจียนจนหมดแรงนะต้องนอนหมดสภาพไปเลยญาติโยมก็แปลกใจหลวงปู่เนี่ยอายุมากแล้วเนยะทำไมท่านไม่หมดสภาพไปกับเหมือนกับพระรูปอื่นนะ ท่านมีอะไรดีหรือเปล่าเนี่ยท่านพูดกับโยมไปนะสักพักท่านก็เอากระโถนมาอาเจียนแล้วก็คุยกับโยมต่อนะโยมถามท่านก็เลยอธิบายว่าร่างกายก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่นะเวลาโดนยาเบื่อยาเมามันก็จะอาการต่างๆนานาอย่างที่เห็นแหละก็คืออาเจียนนะแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้โดนด้วยไม่ได้โดนนั่นแหละไม่ได้โดนยาเบือ่อนะไม่ได้โดนสารพิษ เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ทุกเนี่ยนะก็ยังทาใหนะ้ยังสนทนากับญาติโยมได้พูดง่ายคือป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยอ่านพะาลุ่เนี่ยป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจนะเพราะว่ายังมีความสำคัญมั่นหมายว่านะมีกูอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท้องไส่พอท้องมันลื่นไส้อาเจียนเนี่ยก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นอาการของกายนะ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 สติปัฏฐานสี่เนี่ยที่ว่าเนี่ยกายานุปัสสนาคือการเห็นหรือพิจารณากายในกายเวทนานุปัสสนาพิจารณาเวทนาในเวทนาจิตานุปัสสนาพิจารณาหรือหมั่นเห็นจิตในจิตนะธรมานุปัสสนาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมความหมายนั่นคือว่าเมื่อเห็นกายในกายคือเห็นกายว่าเป็นกายนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา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 เอื้อเฟื่อเกือ้อกูลเขาแม้ว่าเขานั้นเนี่ยจะเป็นคนใกล้หรือคนไกลนะจะเป็นคนเชื้อชาติภาษาศาสนาเดียวกันหรือคนละเชื้อชาติคนละศาสนาคนละภาษาแม้กระทั่งขยายไปจนถึงสัตว์ต่างพันธนะคือไม่ใช่มนุษย์นะแต่เป็นสัตว์นะจะเป็นหมาเป็นแมวนะจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้ว แ, แต่เนี่ยก็มีความเอื้อเฟื่อเกือ้อกู ล, กลอย่างที่เราได้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 ไอ้ผู้ที่กิก็เป็นสมมุตินะแต่ตาบใดที่เรายังยังยึดในสมมุตดยังติดในสมมุติที่อยู่ก็ใช้สมมุติเนี่ยไปนในทางที่เป็นประโยชน์ก็คือแทนที่จะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะก็เกื้อเฟือเกื้อกูลกันขณะที่ยังมีตัวมีตนอยู่ก็พยายามเพ่งแก่ตัวให้น้อยลงทําความเพ่งแก่ตัวให้ลดน้อยถอยลงตาบใดที่ยังมีอัตราอยู่ก็ให้อัตรานี่มันเล็กลงนะมันเบาบางลง อันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำได้นะในขณะที่เรายังไม่สามารถจะเข้าถึงปรมัทัศน์จะได้ยังติดอยู่ในสมมติสัจจาก็ยังติดอยู่ในความยึดมั่นว่ามีเรามีเขามีตัวมีตนมีกูมีของกูเราก็ใช้ตัวกูเนี่ยนะเพื่อให้เกิดประโยชน์นกับผู้อื่นและขณะเดียวกันก็ลดตัวกูให้ลดน้อยให้มันเบาบางลง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 ทั้งทงที่รวมมันบีบคันจิตใจก็ยังเก็บยังหวงยังแหนความเศร้าไว้มันก็แปลกนะบางทีคนเราหวงแหนความเศร้าความโกรธยิ่งกว่าหวงแหนทรัพย์สิททรัพย์สมบัติเนี่ยนะเราก็ยังยังใจกล้านะอะย่างพร้อมที่จะสละสละเงินทาบุญเป็นพันเป็นหมื่นบางทีสละเงินเป็นแสนเพื่ อ, อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก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 ก็ปล่อให้ใจเนี่ยจมดิ่งเหงื่อความเศร้านะความอาลัยความเสียใจแทนที่จะเสียแต่รถเสียแต่ทรัพย์ก็ใจก็เสียสุขภาพติตก็เสียตามมาด้วยสุขภาพกายก็เสียเพราะว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ยอมกินไม่ยอมนอนงานการก็ทําไม่ได้เสียงานอีกอารมณ์หงุดหงิดใส่คนรอบข้างใส่เพื่อนใส่ลูกเสียเพื่อนเสียสัมบันธภาพอีกอันนี้เราซ้ําเติมตัวเองเนะ อันนี้เราเบียดเบียนตนอย่าง น, น้อยๆเนี่ยคนเราถ้ายังมีความยึดในตัวตนอยู่ก็เบียดเบียนตัวให้น้อยลงรักตัวเองให้มากขึ้นรักตัวเองให้ถูกนะขุจ้าตรัสว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลเมื่อรักตนนะเมื่อหวังเฉพาะธรรมเบื้องสูงจึงทําความเคารพธรรมนะคนที่รักตนจริงๆถ้าเรอยากถูกต้องเนี่ยก็จะหวังคุณเบื้องสูงนะแล้วก็จะพยายามที่จะหาทางถ่ายถอนความทุกข์ไปจากจิตใจ มีความโกรธก็จะไม่หวงแหงความโกรธไว้พร้อมจะสละพร้อมจะปล่อยพร้อมจะวางทันทีมีความเศร้าเมื่อไหร่ก็จะไม่หวงแหงมันเอาไว้ก็จะปล่อยก็จะวางมันทันทีนะไม่ใช่ว่าเงินทองสละได้นะแต่ว่าความโกรธกับหวงแหงเงินทองสล่ะได้แต่ความเศร <buh. S 2> าา้าหวงแหงเอาไว้าก็กลายเป็นว่ารักความเศร้ารักความโกรธยิ่งกว่ารักทรัพย์สินนะ รักทรัพย์ในที่คือรักรอเรือนะและบางคนเนี่ยนะรักทรัพย์ยิ่งกว่ารักตัวเองด้วยซ้ํำนะเงินหายแก้แหวนเงินทองนะถูกขโมยไปกลุ้มอกกุ้มใจไม่ยอมกินไม่ยอมนอนพ่อแม่ก็มาแนะนํามาขอร้องมากินเถอนนอนเถอนนะก็ไม่ยอมเอาแต่อาลัยเสียใจในของที่สูญหายไปถูกขโมยไปอย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองหรือรักทรัพย์กันแน่อย่างนี้เรียกว่ารักทรัพย์หรือว่ารักตัวเอง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 และสติความรู้สึกตัวนี่แหละนะที่จะเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้เราได้เห็นความจริงขั้นปรามัตดได้จนกระทั่งเห็นว่าโอ้ที่แท้มันไม่มีเรานะมันมีแต่รูปกับนานมีแต่ขันท่านะมันก็จะปล่อยวางได้ความยึดว่าเราของเราตัวกูของกูก็จะเบาบางและพอไม่มีตัวนี้แล้วเนี่ยความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะมันก็มีแต่ความทุกข์ใจไม่มีแต่ความทุกข์กายมีแต่การสูญเสียทรัพย์นะแต่ว่า ไม่มีความทุกข์ใจนีก็ฝากาไว้นะค่ำนี้กลับพาพพร้อมกัน